ก็ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเ ท, ท่านั้ยเจ่งธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในมัดชัมนิกายมูลปัณ น, นาในวัตถุปมาสูตรคือพระสูตรที่อุปมาด้วยการย้อมผ้าพพื่อส่งแสดงถึงสภาพจิตของคนที่ มากเปด้วยกิเลสแล้วก็มีกิเลสน้อยเจือจางว่าเหมือนกับผ้าที่มันแปดเปื้อนโดยวถ้าเอาไปย้อมเดียวสีจะติดไม่ดีก็เปรียเหมือนจิตใจของบุคคลที่ขุ่นหมูทรัพยหมองก็หวังเลยว่าไปบังเกิดในทุ ก, กติทีนี้ปัญหาสำคัญอะไรเป็นเหตุให้จิตมันขุ่นหมูทรัพยหมอง เพราะาจิตโดยธรรมชาติเองก็ประพัดสอนคือเรื่องแสงข้อนี้พระพุทธมีควเจ้าวส่งแสดงไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนแต่จิตนี้เศร้าหมองไปพระอุปกิเณส ท, ที่จอดมาผลประเด็นที่กำลังนําเสนอในที่นี้ก็คือประเด็นของกลุ่มอุปกิเณส ท, ทั้งหลายัางก่อนได้พูดถึงอภิชาวิสมโลภะ เป็นกิเลสประเภทโลภะหรือประเภทโลภหรือหรือหรือละโมบเราอาจจะเรียกในที่อื่นว่าตัณหาอาจจะเรียกว่ากา ร, รมตัณหาอาจจะเรียกว่าภวะตัณหาคือพูดโดยสรุปว่าความรู้สึกในลักษณะไขว่ควา้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นตามปกติแล้วมันก็พูดอยู่เฉพาะภายในจิต หรือทางจิตให้สายไปได้วยแรงของความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นทีนี้ท่านเรียกตามอาการดิประที่ทำปฏิกริยาต่อจิตพรานจะมีลักษณะเป็นอภิชาวิสมาโลภะก็แสดงว่าเป็นอาการของจิตที่ลําโลภไม่สม่ำเสมอด้วยอานาจของความเพ่งเหมน การเพ่งเล็งตามปกติแล้วก็เพ่งเล่งด้วยตาก็ได้ด้วยหูก็ได้ด้วยใจก็ได้แต่สรุปว่าจะใช้ประสาทสัมผัสส่วนใดเพ่งเหล็งก็ตามแต่ว่าตัวใจจะเป็นผู้เพ่งเหล็งเพราะวสิ่งที่ถูกคุม้มลึกจริงๆคือใจในข้อต่อไปก็คือพยาบาทที่จริงก็คือกิเลสประเภทตุสะ ต้องฟังจะสังเกตว่าเราพบกิเลสประเภทเหล่านี้อยู่ตลอดเส้นทางของพระสูตรก็ผระจ้ทรงแสดงครับเพราะว่ากิเลสนั้จริงๆก็มีแค่สามข้อทั้งเด้งปิโลกกดงเพียงแต่ว่าเป็นการสะท้อนอาการของกิเลสในรูปของหยาบกลางละเอียดตรงนี้ก็อยู่ระดับกลางไม่ถึงก็หยาบแต่ไม่ถึงก็ละเอียด เรามันเกิดขึ้นทําปฏิกิริยาต่อจิตเอเดนว่าทะละเอียดเนี่ยเขาไม่เรียกว่าพยาบาทแต่เขาจะเรียกว่าปฏิฆาคือในสังหรจึงเรียกว่าปฏิฆาไม่เรียกว่าพยาบาทเพราะพยาบาทเป็นอาการของจิตที่เหมือนกับคนเป็นโรคโรคมันจะทําที่เสียแทงกาย พันพยาบาทเองมันจะทำาที่เสียแทงจิตบังคับจิตให้มันพลั้นเลยพลั้นไปสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็ยังคิดย้ำทำอยู่ที่ปัจจุบันบ้างเพราะพรเจ้าก็ทรงแสดงในรูปของอาคาตรวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตพยาบาทไว้เป็นเก้าประเภทด้วยกันคือสายไปในอดีต เอาเรื่องราวในอดีดอดีตมันจะไกลขนาดไหนก็ไม่รู้แล้วก็สามมานะคนคนนี้เคยทำอันตรายต่อเราคำว่าคนนี้นั่นอาจจะเป็นพ่อคนนี้ปู่คนนี้ยา่าคนนี้ปู่ยา่าทวดไปหายไปเลยเพราะความมาค่าพยาบาทเนี่ยมันบางทีมาฆ่าพคกขัาติ ใกล้ๆกับความอาฆาตของพระเทวทัตซึ่งมีต่อพระพุทธสัตว์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นความอาฆาตเป็นความพยาบาทที่กล้าเป็นจองเวรคือผ่านภพชาติแต่ทีนี้ถ้าพยาบาทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผ่านผ่านวัยผ่านรุ่นหนึ่งรุ่นคนครุปบัณฑ์ปชนอย่างตอนนี้ใกล้ๆกับปาเลไตกับอิสราเอลเนี่ย ก็ค่อนข้างจะประนีประนอมผ่อนปรนกันลงไปเยอะเพราะเปลี่ยนค่ายหนึ่งก็เปลี่ยนภาษานาแต่พดีไปข่าเสเรนนายกรัฐมนตรีคนเดิมแต่ว่าที่จริงท่านท่านเป็นนายาหารเนะี่ยแต่้นขณะเดียวกันท่านก็พร้อมที่จะประณีประนอมแข่งมาท่านก็แข่งแข่งไปอดมาท่านก็อดอไป เวยานี้จนถึงกับประกาศเคลื่อนย้ายก็สร้างยกเลิกนิคมของอิสราเอลในชนวนกาซาแต่ก็คือให้พวกปาเลสไตน์ไปแต่หน่วยย่อยจริงๆยังหา ย, ยุติได้ยากเพราะว่าความพยาบาทมันอยู่ในจิตมนุษย์นั้นคล้ายๆกับเหตุการณ์ทั้งสามจังหวัดภาคใต้เนี่ย คือถ้าถามว่าคนที่อาคาตพยา บ, บาทในลักษณะที่ทางทหารเขาสรุปว่าเชื่อชาติาศาสนาแล้วก็มาถุกภูมิโดยเฉพาะอย่างิ่งคือมาถุกภูมิต้องการจะทวงหนิ้แดนคืนมีขลัมงนิ้คนหนึ่งคือชอบเขียนในลักษณะยุยงเขียนดเกืบทุกวันน่นะ เคยสังเกตมานานแล้วว่าคอลัมน์นิตคนนี้เขียนนึเกิดบทุกวันเป็นการตอกย้ำที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ที่จริงๆที่พูดว่าแหลมระยูเคยอยู่กับไทยมาตั้งแต่ยุคสุโขไทยเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงคือจริงไม่จริงไม่ว่าคนรุ่นก่อนท่นเขียนไว้เราเกิดไม่ทันทั้งนั้นแหละคุณเรียงก็เกิดไม่ทันหรอก คุณนั่งลักฐานอะไรก็ได้แต่ว่าสรุปว่าจริงๆในจริงเป็นยังไงเราไม่รู้ร้มีอัติตังสยานะแลาวมัต้องนับหนึ่ง mm hmm. วเวลานี้ตรงนี้คือประเทศไทยที่นี่คือประเทศไทยเราอยู่กันอย่างพี่น้องเราอยู่กันอย่างคนไทยอยู่รวมคนไทยจะต่างเชื้อชาติต่างศาสนากันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็อยู่กันมาตั้งนานในกาลยแล้วก็ทุกส่วนของโลกมันก็เป็นยังไง แต่พระใจที่อาคาตพยาบาทมันก็มีเกาะกลุ่มอยู่คนกลุ่มหนึ่งพระตระการใบเธอไม่เลิกพยาบาทมันไม่ได้อยู่เฉพาะระดับอุปจิเลสแต่ในที่สุดมันจะออกมาเป็นการกระทาเป็นการพูดเป็นวินาศกรรมต่างๆทาไมทาไปเพระอะไรคือแก้แค้นด้วยความอาคาตพยาบาทแล้คนกลุ่มนี้จะต้องเอาดินแดนขึ้นมาให้ได้ ที่มาเคยพูดนะฮะว่าคือที่จริงทหารเนี่ยคือทหารเขาก็มองแบบทหารเขามองแบบประ ก, การมันคือเชื้อชาติศาสนามาทุกภูมิเนี่ยที่จริงมันมาจากไอ้รองสังเกตว่าเชื้อชาติจริงๆไม่มีศาสนาจริงๆก็ไม่มีแล้วมาตุภูมิจริงๆมันก็ไม่มีมันเป็นเรื่องต้นหาวปาฐานที่มันต้องสร้างขึ้น เราลองสังเกตอย่างว่าภิกษุในพระพุทธศาสนาถามว่ามันเกี่ยวกับเชื้อชาติไหมไม่เกี่ยวแต่จิตท่านปฏิบัติไปทั้งจุดหนึ่งมันสลายความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาไปหมดก็คือสมณะสักยบุตรชาพูดมีความรู้สึกต่อพระเป็นเชื้อชาติไหมแต่ก็พัฒนาจิตไปทั้งจุดหนึ่งมันไม่มีเชื้อชาติมันมีแต่พระ แล้พระเองก็สมมติสงฆ์พอเป็นอริยสงฆ์ยิ่งไม่มีอะไรเลยให้เราสังเกตจริงๆมันรู้กันอยู่แล้วนะมันรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องตัณหาปาทานเฉยๆทั้งเชื่อชาติทั้งศาสนาทั้งมาตุภูมิแหละจริงๆมันไม่มีแต่ว่ามันเกิดตัณหาปาทานเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากอวิชชา ก่อเกิดโลภะก็เกิดโทสะรู้สึกว่าของเราถูกแย่งมันก็เกิดโทสะอีกข่ายหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดความพยาบามไปเรื่อยๆก็ถ่ า, ถายทอดกันมาเมื่อไรเราก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือปรารฏเรื่องยาวในอดีตคือถ้าเราศึกษาในลักษณะกระบวนการมันจะยาวมากแต่เราไม่ค่อยมองประเด็นตรงนี้ ที่พยายามพยายามยกตัวอย่างพยายามยกตัวอย่างให้คนฟังซึ่งเขาคุ้นเคยในเรื่องอะไรเรายกตัวอย่างเราสะท้อนไปลึกกว่าเดิมนะครสะท้อนไปลึกกว่าเดิมไม่เห็นว่าหมายุตสสงครามราบมาเกี่ย น, นเกิดจากอะไรหมาอุตสสงครามหมาพาราตยุทธ์เกิดขึ้นมาจากอะไรการสู้รบในเรื่องอิดเหนาก็ดีในเรื่องขุนสร้างขุนแผนก็ดี เรื่องพระใบมันหีกพอดีนี่มันมาจากอะไรมันมาจากคนนะที่จริงมันมาจากพวกกิเลสพวกนี้ยมาทั้งจากอภิชาและทั้งจากพยาบาททีนี้พอพยาบาทเนี่ย ม, มันเกิดมาจากโทสะแล้วพอโทสะเกิดอิมโหสมันจะแข้มขึ้นมันก็จะไม่มีเหตุผลอนะคนโกรจะไม่เห็นอาจจะไม่เห็นทำจะไม่มีเหตุผลอะไร ตอนถึงจุดหนึ่งในค่่าได้แม้แต่พ่อแม่ตัวเองนั่นคือโกรธเป็นพวกเดียวกันนะฮอโกรธการ่าพยาบาทเนี่ยพวกเดียวกันต้องการจะพยาบาทว่าคนเหล่านี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กึ่งกูลเราศัตรูเราที่จริงก็ทำดีนะแต่ว่าแกโทษะแต่แล้วนี่ดีค้นไม่ดีเลยในความรู้สึกของคนที่มีโทษะ มันรู้สึกมันไส่มันรู้สึกขวางหูขวางตาไปหมดคนคนที่เราไม่ชอบไปทําดีเนี่ยเรามองไม่ได้มันบาดหูบาดตาบาดใจกิเลสไม่ใช่แล้วนะกิเลสเป็นวงการมันสั่งการเจริญจิตมันสับสนไปหมดทีนี้บางทีก็ไปไปคิดถึงปัจจุบันทั้งๆเราสังเกตว่ามาจากอะไรไมันมาจากหังการกำลังการคือมาจากเรากับเขา ว่าจากของเราก็ของเขาที่พเจ้าสรุปว่าอัตตาอัตเนยยหรืออังการอมังการโอ้โหในรุ่งใหญ่เลยอังการอมังการเมันจะอยู่ทุกจุดของโลกียธรรมทั้งหลายนะถ้าเราดับตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาก็เหมือนกับตัดหนอกล้วยนะตัดเสร็จรุ่งมเช้าก็ออกเกือบเป็นคืบเลย เพรกิเลสเหล่านี้ยทีิวเจ้าสอนอย่างเดียวคือดับลดละบรรเทาซึ่งอบระงับดับอย่างเดียวกิเลสไม่สอนให้ใหเชื่อนะไม่ไปเพิ่มเชื้อของกิเลสเพราะในกิเลสจึงสอนนแนวป้องกันกิเลสกับการดับกิเลสแล้วยังขยายออกไปอีกเยอะเลยฮะบางทีมันเป็น เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วก็คือไปไปดับไปป้องกันกิเลสแล้วก็ไปดับกิเลสเช่นทรงแสดงคุณสมบัติของโยบธาชีโวก็คือทหารทั้งหลายเนี่ยผมนักว่าทั้งหลายเนี่ยมนหนึ่งต้องฉลาดในชัยภูมิสองต้องยิงได้ไกล สามต้องยิงได้ไหวสี่ทำลายคุมกำลับบงค่าศึกได้ถามว่าใช้พุขิของของทหารเกิดคือระเบียบพ่นหนเช้อูุงของชาวพุทธเกิคือศีลเพราะถ้าเราไม่มีศีลแล้วเนี่ยมันจะเสียฐานเลเสียสูนย์ะยยิงได้ไกลเกิดเลยคือมองสิ่งทั้งหลายเข้าถึงความจริง ในขณะนี้เราไม่ถึงแกง่งอมหรอกแต่เราแก่แน่เราก็ตายแน่เราก็มองในแง่ความจริงตามกฎของประเสริฐรีบลดละปัญหามานาะทิฏฐิเราไม่มีเวลาอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ยิงได้ไวคือต้องเข้าถึงอริยสัจที่มันได้ในเวลารุดเร็วแล้วก็ทำลาย ศูนย์ใหญ่คือศูนย์บราการใหญ่ของกิเลสี้ได้คือทำลายวิชาได้นี่คือเราจะปรับใช้ในเรื่องอะไรก็ได้ในเรื่องการการค้าขายก็ได้ในเรื่องสงครามก็ได้ในเรื่องปฏิบัติธรรมะ ก, ก็ได้เรื่องการต่อสู้ทุกรูปแบบน่ะประหลัการิยสั์มาเป็นหลักครอบจั ก, กรวาลในที่นี้ทรงพูดที่ตัวสมุทัยสั์ เพั้นบางครั้งเรากาหนดเราเองอย่าลืมว่าพยาบาทนี่เรากําหนดเราเองคนที่เราพยาบาทเขายังไม่รู้แต่เร า, ากําหนดขึ้นมาเองเราแต่งตั้งเขาขึ้นนะอันนี้ไม่น่าคล้ายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจรูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรถแม่รอยสัมผัสไม่น่าจะต้องก็เกิดอารติก่อนอารติและพแรงขึ้นมาก็แรงขึ้นนะกิเลสมันแข็งข้นขึ้นแล้วกิเลส ก, กลุ่มเนี้ยจะสมนามาส่งสอนไว้เยอะ คนนี้กำลังเคยทํากำลังทาอันตรายแก่เรากำลังทาอันตรายแกญาติพี่น้องของเราเห็นไหมก็เรากับของเราคืออัตาอตาการณียาหรือว่าตนกับของตนทํายอะไรก็ได้ไม่ใช่จำเป็นว่าต้องคนนะนะทำลายทรัพย์ก็ได้เพราะความพยาบาทเนี่ยบางทีถ้าจิตมันผิดปกติมันเอานิยายไม่ได้บางนคนเคยสังเกตดูว่า มีไหมบางครั้งที่เราโกรธฝนตกเราโกรธแดดออกเราโกรธลมพัดเราโกรธสุนาขเข่าเราโกรธเสียงรถยนต์โกรธยุ่ง ม, มัน อ, อะไรมันคือแสดงว่าโทสะมันก็เลื้โมหังกันเยอะในชาดกเนี่ยท่านเล่าถึงโปรโ ย, ยิตคนหนึ่งหัวล้านน่นะ แล้วท่านเดินผ่านซุ้มประตูพอดีอีกามันบังเอิญพอดีเลยมันถ่ายรถหัวออกหัวลานเลยกรบอีการมันถ่ายเสริมก็บินร้องกากามันก็ไม่รู้อะไรหรอกมันก็อีกานะมัรีบแค้นมากพอดีเกิดไฟไม้โรงช้างแล้วก็ไปล้วงเอาช้าง แกเห็นว่าได้จังหวะได้โอกาสแล้ที่จะแก้แค้นอีกาแล้วพอแก้แค้นมันสะเปะสะปะเลยโคตรง่ากับอีกาเอาทำลายหมดเลยหรือไม่ได้เจาะจงตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นนะ่แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือไปโกรกกระสับเดืดฉานแล้วก็แย่มากๆกันนะคือรถชั้นตัวเองไปทะเลาะกับสุนักเนี่ยรถชั้นตัวเองไปทะเลาะกับแมวรถชั้นตัวเองไปทะเลาะกับสัตว์กระหายอะไรต่างๆ แม้แต่ผู้ใหญ่รถชั้นไปทะเลาะ ก, กับเด็กมันก็ใหญ่แล้วนะไปทะเลาะ ก, กับคนบ้าไปทะเลาะ ก, กับคนเมาไปทะเลาะ ก, กับคนป่วยเนี่ยอาการหนักแล้วทั้งนั้นไอันนี้ไปทะเลาะ ก, กับอีกาเลยอีกาไม่ได้ทะเลาะด้วยนะให้เรานังเกตอีกาไม่ได้ทะเลาะด้วยแต่เราไปกัหวดคือมันถ่ายตามธรรมชาติของมันน่แต่ว่าถ้ามีความรู้สึกอิตาอีกาจงใจถ่ายรถหัวร้านดันรถ ไปกราบทูลพระราชาว่าถ้าจะรักษาชาไง ห, หายจากไฟลวกเนี่ยมันต้องใช้ยาที่ผสมด้วยมันของอีกามันเหลวของอีกาพระราชาพระชาสั่งจับอีกาเลยเพื่อจะเอาน้ามันเหลวของยาเนี่ยมามาของอิกาเนี่ยมาทํายาก็ไม่ไม่มีพ ร, พระดีกาพระโพธิสัตว์เห็นว่าอย่างเนี้ความพิบัติมันจะเกิดละ เลยก็ได้จังหวะก็บินเข้าไปในวังไปทูลพระราชาสงทราบเรื่องทั้งหมดบว่าวงมาบอกเิียรอิการเนี่ยไม่มีไม่มีน้ํามันแล้วอิการมันมีสะดุ้งอยู่ตลอดมันอยู่ด้วยความกลัวมันไม่เกิดเป็นน้ำมันอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นเป็นยังไงนะก็เราก็ไม่รู้กว่าพระราชาจะรู้อีกอาตายอิกอานี่ตายเป็นฝูงเลยเนะีย นี่คือเกิดจากความมาคาัดเราคิดบวกกันมาเองเราคิดเอาเองคิดเอาเองว่าอีกานั่นมันถ่ายรถตูมินเราไม่เคารพเราเราเป็นบุรุหิตผู้ใหญ่ไปถ่ายรถศีรษะเราแล้วก็คิดทำลายล้างทีนี้บางทีเนี่ยเขากำลังทำความดีอะไรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนอื่นผานี้ก็จะโกร อย่าคาดพยาบาทเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธอันนี้คือคอลักษณะมันเลื่อนไหลมันเลื่อนไหลที่ในสมัยหนึ่งหลายปีนะฮะตมาได้รับการในบนให้ไปบรรยายอบรมผู้ภักษาทบชั้นนะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้ามาถึงชั้น ทั่วไปแล้วก็บางทีก็มีชั้นผู้ใหญ่เรามาขยายพวกนี้ดูเขาจะพูดเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวแต่ว่าขยายสภาพจิตให้ดูพราะเราวิเคราะห์ดูจิตดูสภาพที่เราตัดสิตเนี่ยมันมีอะไรมันมีอะไรลำเอียงอยู่บ้างเพราะการทำจิตไม่ลาเอียงมันไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะจริงๆแล้วอคาาติที่มันมาจากกิเลสนั่นแหละคือโรคบลงนั่นแหละ สันาะคติก็มาจากโลกมาจากพิจารณ์เนี่ยโทสาคติก็มาจากเนี่ยมาจากปัจจับาเนี่ยหมอนคติก็มาจากโมหะพยาคตินั้นมาจากทั้งสามตัวนะก็แล้วแต่ะคล้ายๆกับโปรผู้ใหญ่เป็นนั้นมากที่สัมภาษณ์เตุการลปักใต้เขียนหนังสือออกมาก็เหมือนกันเราเห็นโอ้มันมีพยาคติเยอะเลยรัวสุดหมดเลยมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอก ปัญหานี้ปัญญาต้องแจ่มใสนะะแล้วไม่มีไม่มีพยาคติผิดคือผิดถูกคือถูกมองที่กรรมมองที่กรรมคือการกระทําของคนในที่เกี่ยวก็คล้ายอ่ะเราก็ไม่รู้ใครทาผิดอ่ะได้ผิดคือผิดถูกคือถูกมันไม่ไปจะพยายามหลบหลีก คือคนที่พิจตรณาชัดเจนในแง่มุงกฎหมายเะก่อนแล้วก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายมันไม่จะมุ่งไปคาดเข็นใายอาสันแต่ว่าต้องรักษากฎหมายในขณะเดียวกันถ้าเยาวถ้าเขา่าถ้าทุ่งง้อถ้าถูกหลอกลวงอะไรแต่แก็ว่ากันไปเป็นวิธีการนะวิธีการอย่างหนึ่งมันก็อยู่ที่การคือกฎหมายนี่จริงๆมีลักษณะยืดหยุ่น มันอยู่ที่วิธีคิดเฉยๆวิธีมองเฉยๆคือใช้กฎหมายเนี่ยลักษณะที่มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติที่เป็นองค์รวมวิธีทำโดยพยาคติหรือว่าโทสักติหรือว่าฉันทากติคือยัไม่อักติมันต้องวิเคราะห์ดูที่จิตอ่ะเห็นไหมเห็นว่าบางทีเขาเขาทาดีเนี่ยแต่ไม่จะทําดีกับพวกเราเราอักติกขาละอ่ะ มันเป็นโทสะที่เกิดไปจากโทสะลักษณะเหล่านี้ยพร้อมที่จะลากย้อนอดีตไปได้เป็นร้อยรอยปีนะฮะเป็นพันพันปีเราดูตัวอย่างง่ายๆก็คือพวกอรับกับพวกปาเลอไอพวกอิสราเอลเนนะี่ยพว ก, พว ก, พ, วกพวกยิวนะฮะพวกอรับก็ยิวโอ้ยมันย้อนอดีตมาเนี่ทะเลาะ ก, กันสี่ห้าพันปีแล้วมัง้งสมัยโนนะสมัยดาวิสสมัยอับราฮิมนะ่ะ ก่อนหนนั้นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เขาเขาบันทึกไว้มันก็รู้สึกจะเริ่มที่ดาวิดอาจจะลากมาจากอาดมก็อีบก็ได้นะะก็แล้วแต่ทีนี้บังชีเนี่ยพอพอมั่วแล้วมม่มั่วมันกับเหมือนกับอะไรเมือนฆ่าปิดปากฆ่าตัดตอนอะไรที่เราเรียกนะคือคือธรรมชาติของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเอง เราทำชั่วแล้วกลัวความชั่วของตัวเองจะปรากฏมันก็เลยมีลักษณะค่าปิดปากไม่มีอะไรใหม่ในโลกมนุษย์จะไม่มีอะไรใหม่เลยกิเลตัวเดิมเราเจนว่าเมื่อพระเยซูอุบัติกษัตริย์เฮโรดไปฆ่าคนที่หมู่บ้านเบเทเฮมได้นในใตายเท่าไหร่นั่นคืออคติคิดว่าเด็กคนเนี้ยจะมาแย่ง ความเป็นกษัตริย์ของท่านโดยท่านไม่ได้คิดว่าถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วเป็นกษัตริย์จริงเนี่ยท่านก็ตายไปไหนแล้วไม่รู้เขาไม่ได้คิดอ่ะ <summers? S 1> มันควรแสดงให้เห็นว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันอยูมาตั้งนานใานกาลเลยแล้วเทวทัพที่ส่งนายขมังทันอูไปฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเ้าเห็น่าวางแผนฆ่าตัดตอนเปนตอนตอนตอนตอนไปเั้งสี่ห้าตอนเนี่ย แล้เราเห็นอาการโมหะของท่านนะพราะทะพยามบาต ท, ที่มันเป็นโมหะเยอะเลยเพราะแกวางแผนให้ในายขมังธนูคนแรกเป็นคนฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วฆ่าเสร็จก็ให้ไปอีทางหนึ่งซึ่งท่านซุ่มนายขมังธนูไว้สองคนสั่งให้ฆ่าคนคนหนึ่งคนนะะแล้วก็ซุ่มสี่คนไห้ให้ฆ่าคนสองคน แล้วก็ซุ่มคนแปดคนไว้ห้าให้ฆ่าคนสี่คนแล้วก็ตัวเองท่านไปซุ่มอยู่ปลายทางเพื่อฆ่าคนแปดคนดูท่านคิดดิรู้ได้ยังไงว่าตัวเองไปซุ่มคนแปดคนได้คือท่านคิดเราเห็นอาการของโลภะของโทสะของโมหะเนี่ยมันชัดมากเป็นรูปรทรรมที่สอนให้เห็นว่าคิดก็โง่แล้วพระกาศจะคิดว่า ต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์กับกลุ่ระสุร์เราตรงนี้ไม่ใช่แนวแปลกแนวค่าเจดชั่วโคตรในประเทศไทยสมัยอยุธยาแนวค่าเก้าชั่วโคตรในในประเทศจีนในกรณีของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในส่วนต่างๆของโลกเนี่ย เกิดในชกโกสโลวาเกียเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันมันเป็นลักษณะของพยาบาทนะทศพยาบาทเพราะพวกนี้จึงเป็นอุปกิเลสพูดระดับอุปกิเลสแต่ว่าขยายออกไปดูว่าถ้าแกโตขึ้นมานี่อันตรายเลยเพราะพวกนี้คือจิ้งหรีงกัญาพิษเนี่ยยาพิษน้อยก็ยาพิษมากก็ยาพิษอย่างที่โบราณท่านบอกเนี่ยคืบกาทะเลสอกก็ทะเล แล้วก็ย้ำเตือนอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลาอันหนึ่งสัตว์เขี้ยวงาอย่าวางใจก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันแล้วกันทะเลต้อง ร, ระวังครับมีคนที่เข้าเกี่ยวข้องทะเลถ้าไม่รู้เท่าทันทะเลแล้วก็ตายในทะเลนั่นแหละอยู่ใกล้ทะเลก็ต้อง ร, ระวังเพราะมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติ แป็ปรากฏการธรรมชาติบรรเงื่อนไขมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นทุกทีเพราะเราเจ็นว่ากิเลสตัวนี้ยจึงมีความรุนแรงเป็นความปองร้ายเป็นความมุ่งร้ายเป็นการปลูกอาคาดพยาบาทคือเป็นความคิดติดเราเรี่ยวพัดเด็ดการนะล่ะทางฝั่งลองสังเกตว่าไอ้พัดเด็ดการจึงมัเป็นอากาศเมงกิเลส คือโดยเะอนาคตเนี่ยอนาคตเนี่ยท่านตัดสินเองหมดเลยต่อไปอาจจะเป็นอันตรายแต่เราก็อาจจะต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องก็เราก็อาจจะต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลตัวศัตรูเราก็อาจจะมันเป็นพูดแบบมีปริกะจริงไม่จริงตัวเองไม่รู้เรื่องอนาคตเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่เราก็ไม่รู้เป็เรื่องอดีตมันเป็นเรื่องไปแล้วว่ะมันอดีตไปแล้วว่ะ แล้วคุณรู้ได้ยังไงมันจริงอย่างนั้นนะแม้เป็ น, นปเรื่องคนรุ่นก่อนก็จบไปออกปัจจุบั น, อ น, นไอ้ทําทำไมคือเขาชั่วไปแล้วอะทำไมเราต้องทำชั่วแะเพราะจะเห็นว่าถ้าปัญญาเกิดแล้วมันจะขีดวงความชั่วไว้แม่ลูกหลานปัญหาเกิดไม่ใช่ปัญหาไม่เกิดหรอกแต่ว่ามันเกิดเท่าที่มันเกิดไฟไหม้แล้ว่ก็รีดดับแต่นั้นเอง แต่รอยไหมมันก็มีอยู่ก็ธรรมดาแต่ว่ามันแก้ไขไม่ไม่ยากแต่ไม่รุนแรงอะแต่การต่อไปก็คือโกท่าคือความโกรธโดยเห็นว่าความโกรธก็เกิดขึ้นมาจากไปกําหนดเอาอคิดว่าเขาด่าเราประหารเราประทุสร้ายเราเบียดเบียนเราดูหมิ่นเราข่มขู่เราออ้ยคนสมัยนี้ยิ่งรูดูเดือดมาก มองหน้าขนาดเดียวก็โกรธแลแย่งที่จอดรถก็โกรธแล้วคือมันอะไรอ่ะเอาก็อจริงนะีไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็มีการประรบมีการประชุมมีการสมาัมมนาก็พยายามหาทางออกให้แก่สังคมแต่ว่าจริงๆเนี่ยร้อยเห็นว่าถ้าครอบครัวรับผิดชอบ ทงแล้วก็ลงเรียนรับผิดชอบในช่วงต่อมาแล้วก็เด็กเลือดไหลไปที่ไหนตรงนั้นรับผิดชอบถือว่าคนแต่ละคนนั้นก็คือเป็นผลิตผลของสังคมที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าปัญหาโยวชนหรือปัญหาอะไรก็ตามมันไม่ลูกลามาแต่เราก็เก่งแต่ดา่า เราเห็นว่าวกับเด็กนี่เราชอบด่ามากเลยประชุมสัมมนาเมื่อรายนี้มาเข้ากรุงเทพมาเกือบทเท่าไรสี่สิบปีนั่งฟังก้อพิปรายปัญหาที่หน้าพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่หน้าตำหนักเพชรนะฮะท่านยกเต็นขึ้นมาแล้วก็จะมีการอภิปรายปัญหาเยอะประเด็นต่างๆไม่มีอะไรเลยนอกจากด่าเด็ก แล้วเราประชุมไม่ไรเราก็ด่าเด็กอย่างนั้นนะเด็กนั้นมึงก็อยู่ที่ผู้ใหญ่่าจะอบรมสั่งสอนแนะนำตักเตือนเธออย่างไงชีบอกเธออย่างไงเลี้ยงดูเธออย่างไงเธอตักเติบโตมาในทรรมกลางสิแวดล้อมอย่างไงมือนคนที่ควรแก่รับผิดชอบอย่างยิ่งคือพ่อแม่คือครูบาอาจารย์ พอเจอครูคบาอาจารย์ก็จะไปด่าพระกระดาตำรวจปัญหาโยชนเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าถ้าให้ครูบาอาจารย์ถามกระด่าพระหมดเลยเกวพระเป็นกลุ่มคนนิดเดียวในสังคมกิออยามที่เิดบอกว่าพระร้อยรูปี่ยทำ ง, งานได้แค่ยี่สิบรูปนะน แล้วก็ไม่ได้ทํางานด้านเผยแผ่เพราะงานเผยแผ่เนี่ยเอาข้อจริงมันไม่จะทําได้ง่ายสังคมสร้างเงื่อนไขขึ้นเยอะเลยรุงรังพันเตนไปหมดเลยขนาดโยงข้าไปในวัดไปเผาศพไปฟังพระสวดเนี่ยก็ไม่มีโอกาสจะเทศโยงข้าไปถึงวัดแล้วพระไม่มีโอกาสจะเทศเพราะว่าเงื่อนไขทางสังคมเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ แต่พระจ้าเทศโยมก็ต้องอาราธนาต้องพรมมาต้องจัดเครื่องกันอะไรรุงรังพันเตไปหมดเลยเอาอะไรมารุมไม่รู้ก่อนเผาศพเนี่ยไม่น่าจะให้พระได้เทศบางก็ไม่ให้เทศไม่มีความคิดบางก่อนเนี่ยลูกศิษย์เป็นผู้พักษาผู้ใหญ่เขาเคยมิมวนเบีบรุมที่เขาเรียกบ่า นั่นล่ะฝึกอบรมพวกพวกในที่บัณฑิตอะ่ะคือมันจะมีชั่วโ ม, มงศาสนาอยู่ตอนนี้เทศหรือประชิมในเทศเนี่ยจะมีชั่วโ ม, มงศาสนาเรนนี้ยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วก็ยังไปอยู่ที่สภาทนายสภาทนายความเนี่ยทนายความก่อนจะเข้าว่าความเนี่ยเขาจะนิมนต์พระไปบรรยาย มารับนิมนต์ไปหลายปีแล้วก็ยังสงสัยว่าปีหน้ามีหรือเปล่าอันนี้คือความคิดเราไม่ต้องการที่จะให้คนรับรู้ธรรมะคือคนช่างธรรมอะธรรมเดชสีปลาภพโวคนช่างธรรมมันก็เสื่อมรังเกียจธรามะมันก็เสื่อมมันง่ายๆนิดเดียว ธรรมกามโม ร, ระวังโหติธรรมเดศีป ร, ราพูสังคมใดก็ตามที่ใครทําก็จเจริญช่างทำก็เสือ่อมมันเริ่มจปะปฏิกชนไปจนถึงกับไอพาหูชนละ่ะในส่วนต่างๆของโลกประการขับเคลื่อนชีวิตขับเคลื่อนสังคมตลอดถึงครับขับเคลื่อนโลกเนี่ยต้องทำรร ม, มาเป็นตัวขับเคลื่อนนะ เป็นนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยเรามองดูรัฐบาลตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเราไม่หุ่นเป็นน้ำเป็นเนื้ออะไรเลยแม้รัฐบาลนี้มีโ อ, อกาสมาเข้าปีที่ที่ห้าแล้วนะฮะน่าจะมีอะไรแสดงให้เห็นบทบาททางศ า, ศาสนายังก็ลงมาแก้ปัญหาภักคได้เนี่ยวันก่อนเจ้าคณาจงัางหวัดทั้งสามจังหวัดภรรคได้ จังหวัดน่ทันโทมคุยก ค, คุยกันบ่อยนะทันกระโทมคือท่านบอกว่าคนที่เกือดร้อนจริงๆเยลานี้คือชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรจำนวนน้อยมากสามจังหวัดไม่ถึงสามแสนแล้วอุปยบหนีซะเยอะเลยทางผู้ใหญ่ลงไปเมื่อไรไม่เคยนินมนต์พระมา ถ, ถามไม่เคยนินมนต์ชาวชาวพุทธมาถามเลยล้วก็มูด่ด้านเียจากอิสลามตลอด บอกว่ไปคุยกับผู้นำทางศาสนาเจ้าต่างจังหวัดไม่รู้เจ้าอําเภอไม่รู้เราบอกไปคุยกับผู้นำทางศาสน า, า, นนานนน ท, าานาทีนี้พอรประชุมร่วมกันเนี่ยปรากฏว่าก็พูดไม่ได้พอพูดความจริงไม่ได้ความจริงก็กแทรกแล้วคนททายก็แก้ปัญหาไม่ได้คือปัญหาว่าข้อเท็จจริงเราไม่ชัดเจนนี่คืออะไรอะ นี่คือแสดงให้เห็นว่าเราไม่พยายามมองในมิติของศีลธรรมโกรธท่คือความโกรธตัวเดียวก็ยุ่งายแล้วคือถ้าไม่โกรธมันก็ยุ่งปวดหมดอ่ะแกขขยากแล้วเพราะความโกรธก็คือมันแรงอ่ะมันมันเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ถึงกา ไปลมือประทุษรายอะไรนะ่ยเพราะถ้าประทุษร้ายเขาเรียกว่าโทสะตอนนีม้มีอะไรคือความเข้มข้นเนี่ยความเขมข้นที่เกิดเนี่ยพอพู้นี้ยังเหลืออยู่ภายในใจมันอาจจะเป็นอุ ป, ปนาหะต่อไปก็ อ, อุ ป, ปนาหะปลว่าปูกความโกรธเอาไว้คือเก็บความโกรธเอาไว้จิตนี่แกทำหน้าที่สะสมอารมณ์ทุกอย่าง สะสมส่วนที่ดีเราก็เรียกว่าบารมีสะสมส่วนไม่ดีเราก็เรียกว่าอาสวะสะสมนานๆนะฮะนานเนี่ยที่จริงมันก็มีทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเรามักจะเรียกของเก e an so ่าๆว่าบารมีจริงๆก็ทุกวันมันไปเพิ่มไปเพิ่มส่วนของบารมีหรือเพิ่มส่วนของอันสวะจิตวิญญาทุกวัน คิดในแต่ลักขณะมันก็ตกตะกออยู่ภายในจิตเคิดดูคิดชั่วก็ตกเป็นอังสะวาคิดดีก็ตกเป็นบารมีก็สะสมอยู่ภายในใจอะไรมากกว่าลักษณะาอารมณ์โลกเนี่โอกาสที่จะเพิ่มบารมีนี่มันเพิ่มยากโดยเฉพาะอารมณ์ในปัจจุบันสื่อทั้งหลายนั้นเป็นสื่อที่เกิดมาจากโลภะกับโมหะ จะไมมีคนรับผิดชอบอะไรเลยแนมะ้แต่สื่อสารสื่อสานมวลชนเนี่ยวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีซอพีมก็ดีคือบางทีเนี่ยข้อความขอร่ำนิดคนเดียวรู้สารพัดรู้เลยอธิบายเทคนิคของวิศวกรระดับสร้าง ส, างสนามบินนะฮะสนามบินมาตรฐานโลกยุวรรณภูมิไม่เป็นสนามบินมาตรฐานโลกมันไม่ใช่เอาหมอไปวินิจฉัย เพราะวิศวกรเองหรือสถาปนิกเองเนี่ยมันก็มาฉิจยาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันหรอมันก็ออกแบบไม่ได้ก็คุกคุมการก่อสร้างไม่ได้ทําไมไม่ยอมรับความชนานาญเฉพาะทางก็แต่และฝ่ายเพราะเราเห็นว่สือสามวลชนเนี่ยวิจารณได้หมดทุกเรื่องไง ม, มันเก่งสรพันยูจังรู้หมดเลยอภิปรายได้หมดพูดได้หมดเลย คือเรื่องเรื่อมันไม่ใช่ง่ายครับแต่ว่าเราชอบแสดงความเห็นะมาชอบสังเกตดูรายการระทัดขึ้นดูที่อักษรยิ่งอะที่คนก็แสดงความเห็นบางที่เราก็ถามนะฮะว่าแกจับประเด็นยังไม่ได้เลยนะแกเอาความเห็นแล้วแกด่าแล้วจับประเด็นยังไม่ได้เลยนี่คือปัญหาใหญ่มันเกิดมาจากอะไรว่าไอ้โทสะเนี่ยมันเกิดมาโกธามันก็เกิดมาจาก อยากเมากะอุปนาหาการผูกโกรธไอ้คนนี้ฉันไม่ชอบอะ่ะก็ทำดียังไงฉันก็ไม่ชอบอะ่ะฉันก็ดา่าเราจะเห็นว่าข่ายค้านไม่ว่ายุคใดสมัยใดอะ่ะมันจะดา่ารัฐบาลอยู่นั้นแล้วดีก็ดา่าไม่ดีก็ดา่าหามุมด่าจะได้อะ่ะพอรัฐบาลจะทำดีหาเรื่องดักหน้าสั่งการดักหน้าเลย รัฐบาลคนรทอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นหน้าที่ปเป็นหน้าที่โดยเธอเลืมนกเกแต่ว่าถ้าเธอเป็นรัฐบาลเนี่ยก็แค่รายการชุดนี้แหละก็รายการพวกนี้แหละไปปฏิบัติงานภาคสนามไม่ใช่คุณไปลงภาคสนามเองเขามีความรู้ความสามารถอย่างไงเขาก็ทําไปเต็มตามความสามารถเขาแล้ววันก่อนในโฆษกภาครัค้านสั่งรัฐบาลเราต้องรีบยุติการฆ่าไรวันในภาคใต้ ใ้รก็รู้ว่าใครทํานะก็จัดการได้หนานแล้วนะแต่จนบัดนี้ยังไม่รู้ว่าใครทําอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาแต่ว่าเราเราเราขอโอกาสได้พูดทีนี้ถ้ารัฐบาลทําสําเร็จเห็นมม้ว่าผมต้องเร่งนะเนี่ยผมเร่งรัดมันจึงเกิดผลอย่างนี้เอาไปไปชิงเอาเอาหน้าอีกละไอ้ในลักษณะของของกิเลสอนะ กิเลสแต่มันก็พลิกใช้ได้ตลอดอุปังหคคือการผูกโกรธถ้าผูกโกรธนาะนเนี่ยเขาเรียกอากาตหรือพยาบาทแสดงสะสมยอะนะฮะสะสมมาเยอะตามปกติผูกโกรธเขาจะอยู่ไม่นานแต่อย่าลืมมาเป็นการเรียกอาการทางจิตเป็นเรียกอาการทางจิตที่มีปฏิกิกริยาต่ออารมณ์ในแต่ละขณะไม่ชอบ ก็เกิดโกรธโกรธมันเวลามันผ่านไปแล้วความโกรธยังเหลืออยู่ตรงเนี้เขาเรียกว่าอุปนาหา์ทีนี้ถ้าอยู่นานๆเนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทถ้านานๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาฆาตถ้ามุ่งร้ายพยาบาทตอนนี้จะมุ่งร้ายเลยมุ่งจะแก้แค้นและกลายเป็นจองเวรเพราะฉะนั้นกระบวนการเดียวกันกระบวนการเดียวกันแล้วจแก้แค้นลูกแก้แค้นหลานแก้แค้นพอ่อ ก็แล้วแต่นะครบคือบางทีมันหาหรือโหดนะมนุษย์เนี่ยมนุษย์ถ้าไม่สามารถพัฒนาจิตเขาให้เป็นมนุษย์ได้นะไม่สามารถพัฒนาจิตให้ใจเขาสูงพออย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้มีศีลสีส่ข้อแรกไว้เป็นหลักจิตให้เคารพสิทธิในชีวิตเคารพสิทธิในทรัพย์สินเคารพสิทธิในคู่ครองเคารพสิทธิในการสื่อสารกับคนอื่น ก็อาจจะสุบรีอะไรไปบ้านไปช่างก็เถอะแต่เอาตรงนี้ได้ก่อนนะ่นะเอาตรงนี้ได้ก่อนแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาท่าวอดเนี่ยเป็นปัญหาแล้วเมื่อศีลห้าทั้งหมดทีนี้ถามมันเกิดจากอะไรอะแล้วเมื่อศีลห้าเราเห็นว่าบางทีก็เกิดจากโลภบางทีก็เกิดจากโทสะคนใหญ่จะเกิดจากโลภะนะ แนี่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งภาคได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอาฆาตพยาบาทจองเวรก็แล้วแต่บางทีก็เป็นพูกมือปืนรับจ้างมักนก็นิยาอยังไม่ได้ยังไม่รู้ใครทําอำนะฮะต้องถามว่าเธอทําทําอะไรใครทำในเราไม่รู้ทําเพื่ออะไรในเราไม่รู้ใครเป็นนายทุนในเรายังไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังในเราไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าทําที่ไหนทําเมื่อไหร่มันหลังจากเหตุการณ์เกิดแล้ว คล้ายๆกับหนังไทยนะฮะหนังอาชญา ก, กรรมลงสังเกตเลยตำรวจมาทีหลังฮะไม่ว่าหนั ง, งใครก็ตามตำรวจมาทีหลังเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วมันก็ไปสืบว่าทีหลังก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพรั้นการอุปนาหารนี้คือเมื่อผูกโกรธไว้นานๆก็กลายเป็นพยาบาทกลายเป็นอาฆาตแล้วกลายเป็นจงเวร แล้วจึงนี้กลายเป็นนั้นเลยืปจองเวรกันเป็นชาติเป็นทวีปเป็นอะไรแต่ อ, อะไรไปคือมนุษย์แปลกนะถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาไม่กี่วันนะ่ะมันทำโลกยุ่งทำไมไม่กี่วันคุณจะตายแล้วสร้างปัญหาทำไมมีอะไรก็ควรจะทำเสียนะอย่างท่านที่ท่านบอกว่า อันยศศักดิ์ชื่อเสียงเพียงความขวัญทนรูปโฉมนมพันฉันบุปผาชีวิตเปรียบหมายดังสายฟ้าอ น, นิจจาไม่ได้มีจรงการเราเจ็บตายไว้เวียนเพียงเกิดแก่จะหาแน่นอนชะไหนในสงสารอีกโรคาพยาธิมารอนรานสิ้นลมปรานแล้วก็หมดรถโลกีมนุษย์หนอกอกาจงหมายกอบกุศลชอบกันเถิดประเสริฐเสียอายุนั้น สั้นน้อยเพียงร้อยปีคุณความดีเร่งกระทาอย่าล้ำเข็นมันคิดเรกากล้ตายแล้วทำความดีไว้ให้มันลูกหลานได้ดูเป็นตัวอย่างเถอะอาฆาตพยาบาททั้งทำนมยโกรธผูกโกรธไว้ทำไมโกรธทำไมมันไม่มีอะไรเลยมันเผารุนใจให้เราร้อนแต่ใจก็คุณนงอสอมองแล้วก็พร้อมที่จะพิกลกับนะพวกนี้มันเริ่มที่ตรงไหนก็ตาม พร้อมจะไปกลับโลภอาจจะกลับเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นอันตรายไปก็พลิกพลิกแผงไปเรื่อยเพราะฉั้นกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียง อ, อย่างเดียวย่างอื่นพร้อมจะเกิดขึ้นแต่าการกฐามะเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเดียวกว่าง อ, าง อ, อ, างอื่นก็พร้อมจะเกิดขึ้นต้องพืทั้งหล า, า, ายสิ่งธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพบูรณาธรรมจนมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี